ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินยะสังหะอัตถกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวสิรังการจนาพระมหาอาคมธรรมาคโมคแปลเรื่องที่ยี่สิบสองปรับพะชาวินิเชยะกะถากะถาว่าด้วยการวิจัยเรื่องของการบรญรชา นหนึ่งในเวลาที่ให้อาบน้ำหรือในเวลาปลงผมและหนวดด้วยอาการอย่างนั้นอุปัชาไม่ควรพูดกับเขาว่าเธอเป็นคนมีชื่อเสียงมียศบัดนี้พวกฉันได้อาศัยเธอแล้วจักไม่ลำบากด้วยปัจจัยถ้อยคำที่ไม่ใช่นิยานิกะคถาอย่างอื่นก็ไม่ควรพูดเหมือนกันคือคำพูดที่ไม่ได้เป็นเครื่องนำออกจากทุกอย่างอื่นนี่ก็ไม่ต้องพูดนะนิยานิกะกคทานี่หมายถึงว่า คำพูดที่ทําให้ออกจากทุกข์ถ้าไม่ใช่เป็นคําพูดที่ไม่ดีทําให้ออกจากทุกข์นี่ก็ไม่ต้องพูดไม่มีประโยชน์อะไรที่ถูกควรพูดแก่เขาว่าผู้มีอายุเธอจงใคร่ควรดูให้ดีจงคุมสติไว้แล้วทึงสอนแต่จะปัญจกะกรรมฐานให้ก็คือเกตาโลมานขาทันทาตาตโจผมก็ได้ปันหนังในนะย้อนไปย้อนมาให้แสดงเรื่องของสันฐานอะไรต่างๆและเมื่อบอก พึงชี้แจงให้ชัดเจนถึงข้อที่ส่วนทั้งห้านั้นเป็นของไม่ตะอาดน่าเกลียดปฏิกูลเ้ืยอำนาจสีสันฐานกลิ่นที่อาศัยและโอกาสหรือข้อที่ส่วนทั้งห้านั้นไม่ใช่ชีวะไม่ใช่ตัดก็คือแสดงทั้งสมถะและวิปัสนาเลยนะเพราะว่าอาการสามิศสองก็ดีหรือว่าตัดจะปัญญกะกรรมฐานก็ดีสามารถที่จะเจริญโดยความเป็นสมาธิธรรมะหรือว่าปัญญาวิปัสนาก็ได้ ถ้าพิจารณาโดยสมถะก็พิจารณาโดยสีของอาการตระยานถ้าปัญจกะกรรมฐานตาจักปัญจกะกรรมฐานปัญจกะก็แปลว่าหมวดห้าตาจักก็แปลว่าหนังหมวดห้าแห่งหนังก็คือผมขนและฟันหนังนั่นเองก็พิจารณาอาการตระยานว่ามีสีอะไรเช่นผมก็มีสีดำสันฐานก็ยาวกลมเหมือนกับคันช่างแล้วก็กลิ่นกลิ่นก็ไม่สะอาดปฏิกูล ที่อาศัยก็อาศัยดีสเลตน้ำเหลืองน้ำเลือดปัสสวาวะเจรักต่างๆเหล่านี้แล้วก็โอกาสก็ตั้งอยู่ในอาการอาการอย่างอื่นถ้าเป็นอาการ3ามสองก็ผมก็ตั้งอยู่ในอาการส1ิบเอ็ดอาการส1เ็นั้นก็ปฏิกูลเพราะฉะนั้นผมก็กลายเป็นของปฏิกูลไปด้วยแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ต้องพิจารณาอย่างนี้ก่อนก็คือพิจารณาโดยสีโดยสันฐานโดยทิศโดยโอกาสแล้วก็โดยประชิด พิจานาโดยสีสันฐานทิศโอกาสปริเฉตอย่างหนึ่งก็เพื่อที่จะฝึกจิตให้จิตอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเหล่านี้ไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นก่อนให้คุ้นเคยกับอาการสามีสองนี้แต่ว่าตอนหลังเมื่อมีความชํนานาญแล้วก็พิจารณาด้วยความปฏิกูลก็คือสีก็ไม่น่าดูเป็นปัญญาไม่งามสันฐานก็ไม่งดงามอะไรผมตกลงกัปในอาหารก็ไม่มีใครรับประทานว่าสีมันก็ไม่น่าดูอะไร สันฐานรับประทานอาหารตอนกลางคืนไปเคียเค้ยวๆโดนเส้นป่านเส้นปอเส้นได้ก็เข้าใจว่าเป็นผมต้องคลายออกมาแล้วเพราะว่ามันปฏิกูลผมที่ไม่ได้สระไม่ได้ทําความสะอาดก็มีกลิ่นเหม็นที่อาศัยก็าอาศัยเลือดอาศัยแรยงต่างๆล้วนแต่ปฏิกูลทังนั้นรั้งอยู่ในโอกาสปฏิกูลด้วยเหมือนกับผักที่ขึ้นในน้ําคลําน้ำโสโครกต่างๆก็ไม่น่าที่จะรับประทานเกิดที่กองขยะต่างๆ สำหรับคนชาวเมืองก็ไม่อยากไดรับประทานค่อยพิจารณาถึงความปฏิกูนทั้งห้าอย่างนี้ถ้าพิจารณาถึงความไม่ใช่ตัดไม่ใช่ชีวะก็พิจารณาว่าผมนั่นตั้งอยู่บนศีรษะหนังศีรษะนั้นก็ไม่รู้ว่าผมนั้นตั้งอยู่ทั้งผมเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นตั้งอยู่บนหนังศีรษะเหมือนกับห้ากุศลที่มันขึ้นอยู่บนจอมปลวกจอมปลวกก็ไม่รู้ว่าหญ้านั่นน่ะมันขึ้นอยู่บนจอมปลวกนี้ตัวหญ้าเองก็ไม่รู้ว่าตัวมันขึ้นอยู่บนจอมปลวกเพราะะนนนนัั้้ตต่่่างกก็ไไมรรูอ ก็ไม่ใช่จัดไม่ใช่ชีวะเป็นอภพยกตะเป็นเพียงแต่ธาตุดินเท่านั้นก็พิจารณาไปทั้งห้าอาการหรือว่าคำองอาการนี้นะถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็พิจารณาในความเป็นธาตุอันนี้ก็เป็นวิปัสสนาก็่านในการก่อนเขาเป็นผู้เคยพิจารณาสังขารเจริญภาวนามาเป็นเหมือนฝีที่แก่เต็มที่คอยรอการบ่งด้วยน้าและเป็นเหมือนดอกปทุมที่แก่ คอยรอพระอาทิตย์ขึ้นครั้งนั้นเมื่อการพิจารณากรรมฐานสักว่าเขาปารบแล้วยานที่จะบทกิเลสเพียงดังภูเขาให้แหลกไปนั่นแลย่อมเป็นปลายราวกับอาวุธของพระอินทร์แล่นภูเขาให้แหลกไปฉะนั้นก็คือทําลายภูเขาให้แหลกละเอียดไปนั่นเองอาวุธของพระอินทร์ก็คือวชิราวุธถ้าปล่อยไปที่ไหนก็ทําลายเมือนกับระเบิดเป็นจุนวิจุนไปนเลย เขาย่อมบรรลุพระอระหันต์ในเวลาปลงผมเสร็จทีเดียวจึงอยู่แต่แรกทีเดียวคุณบุตรเหล่าใดเหล่าหนึง่งได้สำเร็จพระอระหันต์ในขณะปลงผมเสร็จคุณบุตรเหล่านั้นทั้งหมดได้การฟังเห็นปานนี้อาศัยในซึ่งอาจารย์ผู้เป็นกัลยาณมิตรให้จึงได้สำเร็จได้ไม่ได้อาศัยแล้วหาสำเร็จไหม เพราะเหตุนั้นอุปชาจึงควรกล่าวถ้อยคำเช่นนั้นตั้งแต่ต้นทีเดียวแก่เขาก็ต้องอาศัยอุปชาที่เป็นกรยานมิตรผู้ที่มีความสามารถฉลาดแล้วก็บำเพ็ญสมณธรร ม, มดีแล้วรู้คำสอนของพระพุทธเจา้าให้ในยะในการที่จะปฏิบัติก็ทำให้ผู้ที่มาบวชนั้นได้บรรลุได้เหมือนกันอันหนึ่งเมื่อปลงผมเสร็จแล้วควรใช้ขมิ้นผงหรือกระแจะทาศีรษะและร่างกาย กำจัดกลิ่นเครื่หัดเสร็จแล้วพึงให้รับผ้ากาสายะสามครั้งสองครั้งหรือครั้งเดียวก็ได้แม้ถ้าอาจารย์หรืออุปชาจะไม่มอบให้ในมือของเขาจะนุ่งห่มให้เองทีเดียวหมายถึงว่าช่วยนุ่งให้เลยข้อนั้นก็สมควรก็คือจะทําให้มีความรักยิ่งขึ้นด้วยว่าอุปชาอาจารย์มานุ่งห่มให้ใหม่ๆเพราะคงจะนุ่งห่มเองไม่ถนัดไม่เป็นนะนะ แม้ถ้าว่าจะส่งคนอื่นเป็นที่สูนุมก็ตามสามเณรก็ตามอุบาสกก็ตามว่าผู้มีอายุท่านจงถือเอาผ้ากาสายะเหล่านี้นุ่งห่มให้ผู้นี้หรือจะตั้งกฎระบียบนั่นแหละว่าเธอจงถือเอาผ้ากาสายะเหล่านี้ไปนุ่งหม่มควรทุกอย่างแต่ว่าใหม่ๆเนี่ยเท่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือต้องช่วยเพราะว่าไม่เคยชินเดี๋ยวก็ห่มแล้วหลุดลุย่ยก็ทําให้ไม่งาม จึงอยู่ผ้ากาสายะทั้งหมดเป็นอันที่จดนั้นเทียวให้แล้วแต่เขานุ่งผ้านุ่งหรือหม่มผ้าหม่มอันใดโดยไม่ได้สั่งพึงเปลื่องผ้านุ่งหรือผ้าห่มนั้นเสียแล้วให้ใหม่ก็คือต้องได้รับผ้านุ่งผ้าห่มจากอุปชาอาจารย์จึงสมควรในการที่จะไปนุ่งห่มถ้าไม่ได้จากอุปชาอาจารย์นี้ไม่ควรนุ่งห่มห น, นี้ก็เป็นกติกา ผ้านั้นก็เป็นของพัะพสุแหละไปหามาเองแต่ว่าเวลาที่จะนุม่มห่มต้องให้อุปชาอาจารย์เป็นผู้ให้เพราะผ้ากาสายะที่พิสุให้ด้วยมือของตนหรือด้วยสั่งเท่านั้นจึงควรที่พิสุไม่ได้ให้ไม่ควรแม้ว่าผ้ากาสายะนั้นจะเป็นของเขาเองก็ต้องเป็นเช่นนั้นและจะต้องกล่าวอะไรในผ้ากาสายะที่มีอุปชาเป็นมูลเล่าก็คือถ้าเป็นของอุปชาเยิ่งต้องให้ใหญ่เลย จะมาถือเอาเป็นนุ่งห่มเองไม่ได้ก็ครั้นให้นุ่งห่มผ้ากาสายะที่ให้แล้วอย่างนี้ให้ทำอุตราสงเฉวียงบ่าให้ไหว้เท้าภิกษุทั้งหลายที่ประชุมในที่นั้นแล้วต่อจากนั้นพึงให้นั่งกระโยงประคองอัญชรีเพื่อรับสารนคมแล้วบอกว่าเอวังวเดหิเธอจงว่าอย่างนี้หรือยะมะหังวดามิตังวเดหิ เธอจงว่าตามเราลำดับนั้นอุปชาหรืออาจารย์พึงให้สารณะแก่เขาโดยนายเป็นต้นว่าบุษธังสรมังกัชามิดังนี้พึงให้ตามลำดับที่กล่าวแล้วเที่ยวก็คือพุทธังสรมังกัชามิธรรมังสรมังกัชามิสังขังสรมังกัชามิถ้าสาบลำดับเสียบทหนึ่งก็ดีอักษรหนึ่งก็ดี หรือให้บุษธังสารมังเท่านั้นท่วนสามครั้งแล้วภายหลังจึงให้สาระนอกนี้อย่างละสามครั้งสาระไม่จัดว่าได้ให้อันนี้ต้องระวังมากเลยนะบวนเนนเลยนะก็คือต้องไม่ให้สับสนไม่ให้สับลำดับแล้วก็อักระธนกรอะไรต้องออกให้ชัดเจนถ้าพูดไม่ชัดอะไรก็บวชไม่สําเร็จเป็นสามเณ ร, เรก็แลอุปสัมบทาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้าม กรณะข้ามานูปสัมปทานี้เสร็จแล้วทรงอนุญาตไว้บริสุทธิ์ฝ่ายเดียวก็ควรถ้าอุปสัมบทานิบวชพระบรรพชาในบวชเดนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการบวชพระบริสุทธิ์ฝ่ายเดียวก็คือฝ่ายที่เป็นผู้ตรวจเรียกว่ากรรมวจาจารยาต์ตรวจยติจตุติกรรมต้องบริสุทธิ์ก็คือต้องออกอัครฐานกรอะไรต้องเป็นสมบัติอนุสาวนาสมบัติยติสมบัติ ต้องไม่ผิดเพีย้ยนอันนั้นบริสุทธิ์ฝ่ายเดียวก็ได้ผู้ที่บวชพูดหรือว่ากล่าวขอบวชในผิดพลาดไปก็ไม่เป็นไรส่วนสา ม, มเณรบรรดชาบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายเท่านั้นจึงควรบริสุทธิ์ฝ่ายเดียวไม่ควรคือฝ่ายพระพิสุผู้ให้สารณะกล่าวถูกต้องแต่ว่าฝ่ายสา ม, มเณรกล่าวไม่ถูกต้องก็ไม่ควรเพราะเหตุนั้นในอุปสัมปดา ถ้าอาจารย์ทำกรรมเว้นยับติโทษและกรรมวาจาโทษแล้วกรรมเป็นอันทมถูกต้องส่วนในบรรชาทั้งอาจารย์ทั้งอันเตวาสิก์ต้องว่าสารณะสามเหล่านี้ไม่ให้เสียถึงพร้อมด้วยฐานะกรของพยัญชนะทั้งหลายมีบุอักษรบุก็คือพอพานออกเสียงเป็นบไปไไม้และทะคือถอถทงถอักษรเป็นต้นเนี ถ้าอาจารย์อาจว่าได้แต่อันเทวสิษฐ์ไม่อาจหรืออันเทวสิกฐ์อาจแต่อาจารย์ไม่อาจหรือทั้งสองฝ่ายไม่อาจที่จะว่าได้ไม่ควรแต่ถ้าทั้งสองฝ่ายอาจข้อนั้นจึงควรท่านก็บอกว่าไม่ควรแต่ว่าท่านก็ไม่ได้แสดงอบับอายด้วยก็แลเมื่อให้สาระเหล่านี้พึงให้ว่าบทที่มีนิกหิตเป็นที่สุดให้ติดเนื่องเป็นอันเดียวกันอย่างนี้ว่า บุษธังสระมังกัชามิหรือพึงให้ว่าบทที่มีมัศอักษรเป็นที่ตุดให้ขาดระยะกันอย่างนี้ว่าบุษธังสระมักัชามิอันนี้จะออกได้ทั้งสองอย่างถ้าเป็นบุษธังสระมังกัชามิอันนี้ก็ตามบาลีที่ใช้กันแต่ว่าถ้าเป็นบุษธังสระมักัชามิอันนี้ก็มีกติมาจากสันสกฤตซึ่งก็ใช้ได้หนึ่งกัน ในอัตฉริยอันธกะท่านแก้ว่าอันเทวสิกพึงประกาศชื่อรับสรณคมอย่างนี้ว่าอะหังพันเตบุตรรักขิตยาวชีวังบุษงสระมังกัชามิดังนี้คํานั้นไม่มีแม้ในอัตฉริยอันนี้ก็อัตฉริยอันธกะว่าเอานะแต่ว่าในอัจถริยมหัจฉริยะมหาปัญจลีกุรุณีนี่ไม่มีแสดงไว้แม้แต่อัตฉริยเดียว เพราะฉะนั้นไม่ถือเอาอย่างนี้เอาว่าแค่บุษธังสรนังคาชามิหถือว่าบุษธำสารนำกัชชามิอันนี้ก็ได้ละทั้งในพระบาลีก็ไม่กล่าวไว้เป็นแต่เพียงความชอบใจของพระอาจารย์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรถือเอาแท้จริงเมื่อไม่ว่าอย่างนั้นสรณะจากกำเริบก็หามิได้และด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้เธอย่อมเป็นผู้ตั้งอยู่ในภูมิแห่งสามเณร ก็ได้บรรดาชาเป็นสา ม, มเณรแล้วถึงสัตนาคมสามนี่นะครั้งแรกเลยตอนที่พระพุทธเจ้าประตาทศาสนาแล้วก็ให้พระพิจุบวดโดยเอหิพิกขุเอหิพิ ข, พขุคือใครมีศรัทธาจะบวดพระเจ้าก็เรียกนาว่าเอหิพิกขุเธอจงเป็นพิจุมาเถิดจงตั้งใจประพฤติธรมจันเพื่อทำที่สุดทุกข์ ก็เป็นอันบวชนะนะแต่ภายหลังมีพระพิตุมาบวชแล้วก็เที่ยวจาริกไปประกาศพระศาสนามีกคนบตรอยากจะบวชบ้างก็พามาเป้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าเป็นความลําบากก็เลยให้พระพิตุเหล่านั้นเนี่ยบวชกคนบุตรในที่ต่างๆได้โดยการให้ถึงสัตว์มสามอย่างเนี่ยคือพระไตสรสัตวนัมเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นพระพิตุที่การบวชนั้นว่าเป็นสัตว์นักมนูปสัมปทา เป็นการอุปสมบทโดยถึงสรนคมก็ชื่อว่าเป็นพระภิกษุแล้วนะเป็นอุปสมบทาเป็นอุปสมบันแต่ว่าภายหลังเมื่อมีพระภิกษุมากขึ้นก็ให้ความสำคัญแก่สงฆามีกุลบุตรจะบวบก็ต้องให้พระภิกษุสิกรูปขึ้นไปในมัชิมะประเทศหรือว่าในปัจจันตประเทศก็ห้ารูปพร้อมทั้งพระวิเนทอนบวชกุลบุตร โดยการประกาศยติเจตุตกรรมเป็นยติเจตุตกรรมมุวาจาะเป็นการบวชแบบใช้ยติเจตุตกรรมโดยความเห็นของสงฆ์หรือของความเห็นของสงฆ์ให้พร้อมเพรียงกันก็ให้เลิกสารณะข้ามานุปัสสนทาทีนีะแล้วก็ให้มันเป็นการบำเชาของสมณเณรแทนก็คือให้ถึงสารณคมเป็นการบวชของสมณเณระปุถุก็เป็นการบวชโดยใช้ยติเจตุตกรรม ถ้าสามเณรนั้นเป็นคนมีคติมีชาติเห็นคนฉลาดลำดับนั้นพึงแสดงสิกขาบททั้งหลายแก่เธอที่นั้นทีเดียวแสดงอย่างไรเหมือนอย่างพระผู้มีพระพาวจรทรงแสดงไว้สมจริงดังพระดำรับที่พระผู้มีพระพาเจาตรัสไว้ว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายเราอนุญาตสิกขาบทสิทธิประการแกสามเณรทั้งหลายและอนุญาตเพื่อสามเณรศึกษาในสิกขาบทเหล่านั้นคือ เว้นจากการทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปหนึ่งเว้นจากถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้หนึ่งเว้นจากกรรมไม่ใช่พรหมจรร์นหนึ่งเว้นจากการพูดเท็จหนึ่งเว้นจากดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาทหนึ่งเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาหนึ่งเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและดูการเล่นหนึ่งเว้นจากการ รูปไร้ทักษสงเครื่องประดับแต่งตัวด้วยระเบียบของหอมหนึ่งเว้นจากการนอนบนที่นอนสูงและที่นอนใหญ่หนึ่งเว้นจากการรับทองและเงินหนึ่งอันนี้เป็นศติขาบทสิทธิที่สามเนตจะต้องรักษาแต่ว่าข้อวัดที่จะต้องประพฤติเหมือนกับพระพิตุก็คือเสกขียวัดเจ็หข้อก็อต้องประพฤติด้วยมีการนุ่งห่มให้เป็นปริมณทนมีการรับบินทบาทโดยเอื้อเฟื้อหรือว่าถ้าจะแสดงธรรมก็ต้องแสดงธรรมโดยเอื้อเฟื้อ ตามเศรษฐกิยวัตอันนี้ก็แปลงว่าถ้าสัมเนธนั้นเป็นคนที่มีชาติฉลาดก็ให้สิกขาบทสิทธิ์ในที่นั้นที่บวชเลยแต่ถ้าเป็นคนไม่ฉลาดก็อาจจะให้ในภายหลังก็ได้ค่อยๆเปลียนรู้ไปก็ได้สามารถให้ที่หลังได้นั้นเพราะว่าการเป็นสัมเนธนั้นขึ้นอยู่กับสารณคมไม่ได้ขึ้นอยู่กับศีลขึ้นอยู่กับสารนคมแต่เมื่อรับสารนคมแล้วก็ต้อง มีศีลสิทิด้วยเพราะว่าพระพุทธเจ้าอนุญาตไว้ให้ศึกษาในสิกขาบทสิทิ์นี้แต่ว่าความเป็นสมณีขึ้นมาได้ก็เพราะว่ามีการถึงสระคมสามนั่นเองส่วนในอันธกะอัตกถาท่านกล่าวแม้ซึ่งการให้สิกขาบทเหมือนการให้สระอย่างนี้ว่าอะหังพันเตอิททัานนามยาวชีวัง ปามาติปาตาเวรามณีสิกขาปะดังสมานิยามิดังนี้แม้วิธีนั้นก็ไม่มีในบาลีทั้งไม่มีในอัตถกถาทั้งหลายเพราะฉะนั้นควรแสดงแต่พอสมควรแก่บาลีก็คืออะไรที่มาตามพระพุทธพจน์หรือว่าอัตถกถาทั้งหลายที่คล้อยตามบาลีพุทธพจน์ก็เอาตามนั้นแต่ถ้าอัตถกถาอะไรที่ไม่ได้คล้อยตามบาลีพุทธพจน์ก็ไม่ต้องเอา จริงอยู่บรรพชาสำเร็จด้วยสัตวนักขมเท่านั้นส่วนสิกขาบททั้งหลายอนสามเณรควรทราบเพื่อทําสิกขาบทให้บริบูรณ์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อสามเณรไม่สามารถจะเรียนสิกขาบทเหล่านั้นตามในซึ่งมาในพระบาลีได้จะบอกแต่เพียงใจความด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งก็ควรอธิบายเขาฟังก็ได้ถ้าเขากล่าวไม่ได้บอกให้พูดตามมึงยังพูดไม่ได้อีกบางทีก็พูดอาจจะไม่ค่อยชัดถ้อยชัดคําหรือว่าจําไม่ได้ ก็บอกภาษาไทยให้ฟังคร่าวๆแล้วก็ค่อยๆให้ศึกษาไปก็ได้เพราะว่าเมื่อให้ธรรณนคมจบ ก, ก็เป็นสา ม, มเณรแล้วและสา ม, มเณรยังไม่รู้สิกขาบทที่ตนควรศึกษายังไม่ฉลาดในการทรงผ้าสังขาติบาทและชีวรนการยืนและการนั่งเป็นต้นและในวิธีมีการดื่มและฉันเป็นต้นเพียงใดยังไม่ควรปล่อยเธอไปตู่หอฉันที่แจกสลาก หรือสถานที่เช่นนั้นอื่นเพียงนั้นคืออย่าปล่อยไปตามลำพังต้องควบคุมไปด้วยกันถ้ายังไม่มีความชานาญในการที่จะห่มผ้าหรือว่าจะขบจะฉันจะเดินเหินต่างต่างนี่ก็ต้องคอยแนะนำแล้วก็คอยควบคุมควรให้เธออยู่ในตำานักเท่านั้นควรสงวนเธอเหมือนเด็กอ่อนควรบอกสิ่งที่ควรและไม่ควรทุกอย่างแต่เธอควรแนะนาเธอในอภิสมาจาริตวัด มีการนุ่งห่มเป็นต้นก็คือพวกเศรษฐีวัรนั่นเองแม้สำเนนนั้นเล่าก็ควรเว้นให้ไกลซึ่งองค์แห่งนาสนะสิทระการซึ่งพระผู้มีพระพาคเจ้าตรัสไว้ดังต่อไปนี้นาสนะก็หมายถึงว่าการให้คิดหายก็คือไล่ให้เสร็จนั่นแหละองของนาธนะสิประการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็คือ ดูก่อนที่สุดทั้งหลายเราอนุญาตให้นาสนะสามเณรผู้ประกอบด้วยองสิธิ์ก็คือสามเณรเป็นผู้ยังสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปหนึ่งผู้ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้หนึ่งผู้ประพฤติผิดประมจหนึ่งผู้พูดมุสาวาดหนึ่งผู้ดื่มน้ำเมาหนึ่งนี่ก็คือสีลห้านั่นเองกล่าวติพระพุทธเจ้าหนึ่งกาติพระธรรมหนึ่งกาติพระสงฆ์หนึ่ง ผู้เป็นนิชฌาทิฏฐิหนึ่งผู้ประทุษร้ายนางพิทุนีหนึ่งดังนี้ทำอภิสมาจาริกวัตรให้บริบูรณ์พึงศึกษาให้ดีในศีลสิทยามฉนี้แลองค์ศิษย์เนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้นาชนะพระะนันถ้าสมาเนรล่วงศีลล่วงศีลห้าข้อก็ขาดจากความเป็นสัมเนรแต่ถ้าเกิดถึงว่าติถราพูดพระธรรมพระสงฆ์ด้วย เป็นมิจฉาทิฏิด้วยประตูสร้านาตัวนี้อันนี้ให้ศึกเลยไล่ศึกเลยนะบรรณาองค์แห่งการนาสนะสิประการมีปาน า, าทิบัติเป็นต้นสามเณรใดย่อมทํากรรมแม้อย่างหนึ่งสามเณรนั้นอภิสุขพึงให้นาสนะด้วยลิงฆ า, าณาสนะก็คือให้ศึกเลยทําอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามจิตติก็พูดถ้าทำบัติศหรือว่าจะฆ่าสัตว์ข้อเดียวก็ให้ศึกได้ จริงอยู่ในบรรดานาสนะสามอย่างประสงค์เอาลิงฆ่านาสนะเท่านั้นในที่นี้เหมือนอย่างว่าพิจุทั้งหลายย่อมเป็นอาบัติต่างๆกันในเพราะกรรมทั้งหลายมีปานาติบาเป็นต้นฉันใดสามเณรทั้งหลายจะได้เป็นอย่างนั้นหาไม่ได้ก็คือว่าสามเณร น, นั้นไม่มีอาบัติแต่พระพิจูเนี่ยเมื่อไปฆ่าสัตว์ก็เป็นอาบัติแล้วก็เป็นแสดงคืนความให้ไม่เป็นอาบัติอาบัติก็หลุดไป แต่ว่าอากุศลกรรมนั้นก็ไม่ได้พ้นไปด้วยไม่ได้เป็นอโหติกรรมก็ยังสามารถตามให้ผลได้แต่ว่าอาัปบติที่จะเป็นเครื่องกั้นแก่มาผลนั้นไม่มีแต่สัมเนธนั้นไม่มีอัปบาทเหมือนพระพิษุเพราะว่าสมมเนธทำให้หมดดามดแดงตายก็ดีบี้ไข่เลือดก็ดีย่อมถึงความเป็นผู้ควรให้นาสนะทีเดียวสรณคมการถืออุปชาและการถือเสนสนะของเธอ ย่อมระ ง, งับทันทีก็กลายเป็นขาดจากสรณิคมเลยนะก็คือไม่เป็นสมนีแล้วพ้นจากความเป็นสมนก็เรียกว่าเป็นพระราชิกของสมณีเธอย่อมไม่ได้ลาภสงคงเหลืออยู่สิ่งเดียวเพียงแต่เพศของสมนีเท่านั้นถ้าเธอเป็นผู้มีโทษซับซ้อนจะไม่ตั้งอยู่ในสังวรต่อไปพึงกำจัดออกเสียก็คือให้สึกออกไป ไม่ต้องกลับมาถ้าเกิดเป็นผู้ที่ไม่ตั้งอยู่ในสังวรถ้าเธอผิดพลาดครั้งไปแล้วยอมรับว่าข้าพเจ้าได้ทําความชั่วแล้วดังนี้เป็นผู้ไข่จะตั้งอยู่ในสังวรอีกกิจ ค, คือลิงฆานาสนะย่อมไม่มีคือไม่ต้องให้เึกแต่ว่าพึงให้สรณะทั้งหลายพึงให้อุปชาแก่เธอซึ่งคงนุ่งห่มอย่างเดิมทีเดียวส่วนสิกขาบททั้งหลายย่อมสําเร็จด้วยสรณะณคมนั่นเอง เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องให้สิกขาบทก็ได้แต่วาตอนแรกมาบวชก็ชี้แจงให้ฟังว่าศิกขาบทสิทธิ์นี้ต้องศึกษาแต่ว่าหลังจากนั้นถึงแม้ว่าไปล่วงศีลแล้วขาดจากความเป็นสำเนิแล้วก็ให้สระนคมใหม่ไม่ต้องให้ศิมก็ได้เพราะว่าสิกขาบทก็ย่อมสำเร็จด้วยสระนคมนั่นเองจริงอยู่สระนคมของสำเนิทั้งหลายเป็นเช่นกับกรรมวาจาในอุปสมบทของภิกษุทั้งหลายเป็นเหมือนกันเลยนะเพราะว่า เวลาที่สวดยติเจตุตตกรรมวาจาของผู้ที่จะมาบวชเป็น พ, พระพิจูตพอสวดยติเจตุตตกรรมวาจาจบบุคคลนั้นก็กลายเป็นพิจูตเหมือนกับโอปปาติกะเลยเพราะฉะนั้นพิจูตนี้ก็เรียกว่าได้ชื่อว่าเป็นทวิ ช, ชาติได้เหมือนกันคือเกิดสองครั้งนะผู้ที่มาเป็นพระพิจูุเนี่ยนะเกิดโดยความเป็นก็หัดครั้งหนึ่งตอนคลอดออกจากท้องมรนดา แล้วก็ตอนที่เกิดในพระพุทธศาสนาอีกเกิดในพระพุทธศาสนาคือเป็นพระพิจุหลังจากยติเจตุกรรมวาจาจบทุ๊บก็กลายเป็นอุปสมบัทพ้นจากความเป็นกระหักเป็นอุปสมบัทเหมือนกับเกิดขึ้นทันทีเหมือนกับโอปปะติกะแต่ว่าถ้าพระพิจุลานิพพาเสึกไปก็เหมือนกับตายก็คือจุอตติตายจากพระพุทธศาสนาไปก็กลายไปเป็นคนเลวก็คือเป็นกระหักไป เพรเหตุนั้นสินสิบเป็นอันสามเณรแม้นี้สมาทานแล้วแท้เหมือนกับศินสองรอยยี่สิบเจ็ดของกามิตุนะเวลาที่ตรวจยติเจตุกรรมวาจาจบก็เป็นคระที่สุแล้วก็มีสินสองอยี่สิบเจ็ดเลยต้องรักษานี่ยต้องรักษาศินสองอยี่สิบเจ็ดนั้นไม่ต้องมาให้ศีนไม่ต้องมาสมาทานสินอะไรถือว่าเป็นอันสมาทานเป็นตัวเลยเพราะฉะนั้นถ้าทำผิดติขาบทก็ชื่อว่าเป็นอับัต ก็เหมือนจตุปาริสุทธิศีนอันที่สุสมาทานแล้วฉะนั้นแม้เมื่อเป็นเช่นนี้ศีนสิบนั้นก็ควรให้อีกเพื่อทําให้มั่นคงคือเพื่อยังเธอให้ตั้งอยู่ในสังวรต่อไปเพราะฉะนั้นควรจะให้อีกควรจะให้อีกแต่ว่าถ้ามีเหตุจําเป็นไม่ให้ขนานั้นก็เธอก็ไม่ได้ขาดจากความเป็นสมณีไปหรอกเพราะว่าสม็จด้วยสัตวนาคมไปแล้วอันนี้ก็ท่านบอกว่าควรจะให้อีก เพื่อจะทำให้มันคงเพื่อจะให้มีการสังวรต่อไปถ้าสัรว์ทั้งหลายอันเธอรับอีกในวันวัสุปนายิกาต้นคือวันเข้าบรรษาต้นเธอจะได้ผ้าจำปรรษาในวัสูปนายิกาหลังถ้าเธอรับสัตวนคมในวันวัสุปนายิกาหลังคือเข้าบรรษาหลังลาบอันสงพึงอัปโลกให้สามเณรย่อมเป็นผู้ไม่ใช่สมณนะ คือย่อมถึงความเป็นผู้ควรนาสนะเสียในเพราะอัินาทานด้วยวัตถุแม้เพียงหญ้าเส้นหนึ่งในเพราะอภรรมจันทร์ด้วยปฏิบัติผิดในมรดมรดหนึ่งในบรรดามรดสามในเพราะมุสาว่าเมื่อตนกล่าวเทศแม้ด้วยความเป็นผู้ประสงค์จะหัวเราะเล่นหัวเราะเล่นนี่ก็ขาดจากความเป็นสมณีเหมือนกันไปถึงมุสาว่าแต่โกหกมุสาวาเขาเพื่อจะหัวเราะเล่นขาดจากความเป็นสมณี เ, เลย ส่วนในเพราะดื่มน้ำเมาเป็นอาบัติปาจิตตีแก่พิจุผู้แม้ไม่รู้ดื่มน้ำเมาจำเดิมแต่สาเล่าฝ่ายสำเนนต้องรู้แล้วดื่มจึงต้องศีลเพศไม่รู้ไม่ต้องศถลเพศก็คือขาดจากศีลกระหัตก็เหมือนกันการยาล่วงศีลห้าติดศีลห้าข้อดื่มตุรามีไรนี้ต้องรู้ดื่มเข้าไปจึงทาให้ศีลขาดแต่ถ้าไม่รู้นี่ศีลไม่ขาดแต่ถ้ารู้แล้วต้องสังวร ถ้าดื่มเข้าไปรู้ว่าเป็นสุราแล้วก็ดีใจเว่านานๆนี้ได้ดื่มสักทีหนึ่งก็เลยดื่มเข้าไปอีกอันนี้ก็ศีลก็ขาดเหมือนกันแต่ของพระพิตูจน์นี้จะรู้หรือไม่รู้ดื่มเข้าไปนี่ก็ต้องอาบัตหมดละเพราะฉะนั้นจะดื่มอะไรนี่ก็ต้องพิจรารณาก่อนจะรับประทานอะไรนี่ก็ต้องพิจรารณาหมดเลยของพระพิตุจน์ฉันอาหารมีเนื้อก็ต้องพิจรารณาว่าเป็นเนื้อที่เป็นกัปปิยะหรือว่ากัปปิยะถ้ารับแล้วไม่พิจารณาก่อนรับนี่ก็มีโทษ ก็ตั้งใจว่าเยวเวลาจะฉันแล้วจะถามอันนี้ว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดรู้แน่นอนว่าเนื้อนั้นเป็นเนื้อที่เป็นกัปปิยะอันนี้ก็ไม่มีกิจในการนี้ต้องถามข้าสิกขาบทนอกนี้ก็คือตั้งแต่วิการนับโภชนาขึ้นไปห้าสิกขาบทนอกนี้เหล่าใดของสำเนนนั้นบรรดามีครั้นเมื่อสิกขาบทเหล่านั้นทําลายแล้วพิสุไม่พึงนานชนะเธอคือไม่ต้องขับไล่แต่พึง ท, ำทํำธนตกรรม ลนเมื่อสิกขาบทอันที่ตุดได้ให้อีกก็ดียังมิได้ให้ก็ดีจะลงธนกรรมย่อมควรคือตั้งแต่วิการนับโภชนาขึ้นไปเนยนะสามเณนรับประทานอาหารในตอนเย็นหรือว่าไปฟ้อนรำขับร้องประโคมด น, นตรีไปประดับตกแต่งของหอมไปนั่งนอนที่นอนสูงใหญ่หรือว่ารับเงินรับทองตัวเนี้ยจะต้องลงโทษทำธนกรรมให้เป็นขนปืนให้เป็นตักน้ำให้ไปนขนทรายอันนี้เป็นการทำธนกรรม แต่ว่าพึงปราบด้วยทันกรรมแล้วจึงค่อยให้สิกขาบทก่อนลงโทษเพื่อให้กํำรา้จดจําแล้วก็ค่อยให้สิกขาบทเพื่อประโยชน์แก่ความตั้งอยู่ในสังวรต่อไปเดีย๋ยวจะพูดถึงนาสนะนะว่ามีสามประการสามประเภทก็แลวิวิจัยในอวรรณภาสนะพึงทราบดังนี้อวรรณภาสนะหมายถึงการกล่าวติเตียนพระรัตนตรยัย สามเณรผู้กล่าวโทษพระพุทธเจ้าด้วยคำเป็นข้าศึกแก่พระพุทธคุณเป็นต้นว่าอารหังสัมมาสัมพุทโธก็ดีแห่งพระธรรมด้วยคำเป็นข้าศึกแก่ธรรมคุณเป็นต้นว่าสวากขาโตก็ดีแห่งพระสงฆ์ด้วยคำเป็นข้าศึกแก่สังฆคุณเป็นต้นว่าสุปฏิปันโนก็ดีได้แก่นินทาคือติเตียนพระรัตนตรยัยอันพิสุทั้งหลายมีอาจารย์และอุปชาเป็นต้นพึงแสดงโทษในการกล่าวโทษ ห้ามปราบว่าเธออย่าได้กล่าวอย่างนั้นในอัตถกาถาชื่อกุรุนทีแก้ว่าถ้าทิกษุทั้งหลายว่ากล่าวเธออยู่ถึงครั้งที่สามยังไม่งดเว้นภิกสุดทั้งหลายพึงให้ชิพหายเสียด้วยการสกะนาถนะการตะกะนาสน ะ, ก, น ะ, ก, ะนนะก็หมายถึงว่ามีสัมมณีนท่านหนึ่งกล่าวติเตียนว่าพระพุทธเจ้าแสดงสิ่งที่เป็นอันตรายยุธรรมธรรมนั้นไม่เป็นอันตรายแก่ผู้เสพได้จริง ไม่มีอันตรายอะไรดอกเกินสามครั้งแล้วไม่ฟังก็ให้นาชนะโดยการที่จะไม่ให้มาทุกคลีไม่ให้มากินร่วมไม่ให้มานอนร่วมไม่ให้มาอยู่ร่วมไม่ให้มานอนร่วมกับพระพิตุสำเนิอื่นเนี่ยสามารถนอนร่วมกับพระพิตรได้สามคืนถ้าติดเตียนแล้วไม่ยอมที่จะทําคืนไม่ยอมที่จะเห็นโทษถึงตนเองก็ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกับพระพิตุอีกแล้วพระพิตุก็จะไม่ไปเกี่ยวข้องด้วยอันนี้เรียกว่าเป็น กันตะกัดนาสนะไม่สมคบด้วยไม่สมโภคด้วยส่วนในมหาอัตถกถาแกว่าถ้าพิสษุนทั้งหลายว่ากล่าวเธออยู่อย่างนั้นเธอยอมสละลักทินั้นพึงให้ทำธนกรรมแล้วให้แสดงโทษล่วงเกินก็คือลงโทษนิดหน่อยให้ไปนขนทายขนน้ำเสร็จแล้วก็ให้มาขอโทษสิ่งที่เคยล่วงเกินพระรัตนตรายไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี ก็ขอพระรัตนตรัยอดโทษล่วงเกินอ น, นั้นเพือการสำรวมระวังต่อไปว่ให้แสดงโทษอย่างนี้ถ้ายังไม่ยอมสละยังยึดถือยกย่องยืนยันอยู่อย่างนั้นเองพึงให้ชิดหายเสียด้วยลิงพระนาสนะให้สึกเลยให้ชิดหายฤเพศให้สึกเลยคำแห่งมหาอัตฉรานั้นชอบเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์อธิบายนาสนะนี้เท่านั้น แม้ในสามเณรผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ในนี้นั่นแหลอันหนึ่งสามเณรผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิชนิดใดชนิดหนึ่งในบรรดาสามสตัทิฏฐิก็คือเห็นว่าเที่ยงและอุดเฉดทิฏฐิก็คือเห็นว่าขาดศูนย์ตายแล้วมันก็หมดกันเพราะฉะนั้นอยากกินอะไรก็กินอยากทําอะไรก็ทําไปเถอดแตตายแล้วมันก็ขาดศูนย์หมดแล้วถ้าเธออันพิสูจน์ทั้งหลายมีอาจารย์เป็นต้นตักเตือนอยู่สลับเสียได้ พึงให้ทำันกรรมแล้วให้แสดงโทษล่วงเกินก็ลงโทษนิดหน่อยแล้วก็ให้แสดงโทษขออดโทษแก่พระรัตนตรยัยเมื่อไม่ยอมสละนั่นแลพึงให้นาสนะเสียดังนี้แหลผู้ศึกษาพึงทราบสันนิษฐานคือสรุปตกลงว่าองค์สิทธ์ตา่างแนกคือพิกุณีดูสกะนี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เพื่อแสดงเนื้อความนี้ว่า จึงอยู่บรรดานาสนางังคะนาสนางาสังคะสิทธหมาถึงองค์แห่งการที่ให้คิดหายสามเณรผู้ประทุษร้ายนางทิกษุณีอันพระองค์ทรงถือเอาด้วยอะพรหมจารีสัตว์โดยแท้ถึงกระนั้นก็สมควรจะให้สละนะแล้วให้อุปสมบทอะพรหมจารีสามเณรให้ตั้งอยู่ในสังวรต่อไปสามเณรผู้ประทุษร้ายนางทิกษุณีถึงใครจะตั้งอยู่ในสังวรต่อไป ย่อมไม่ได้แม้ซึ่งบรรพชาไม่จําต้องกล่าวถึงอุปสมบทก็คือเป็นประราชิกไปเลยถ้าไปประทุสร้ายนางพิชซุลีมาบวชอีกไม่ได้แต่ว่าถ้าอะพรหมจันทร์ก็คือไปเสดเนถุนในผู้หญิงธรรมดาไม่ใช่นางทิชซุลีหรือว่านางสิกขมานาสัมเนรีก็ยังสามารถที่จะกลับมาบวชได้อีกอาจจะบวชเนรหรือว่าบวชพระก็ยังได้ แต่ถ้าไปประทุษตรายพิกตุณีนี่บวชเนนต่อก็ไม่ได้บวชพระก็ไม่ได้ด้วยก็วัตถุแห่งธันตกรรมสิอย่างคือองค์ห้าเหล่านี้ตามละบาลีว่าดูก่อนพิจษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ลงธันตกรรมแก่สามเณรผู้ประกอบด้วยองค์ห้าคือสามเณรผู้ขวนขวายเพื่อความเสื่อมลาภของพิกษุทั้งหลายหนึ่ง เพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์แก่พิจูตทั้งหลายหนึ่งเพื่ออยู่ไม่ได้แห่งพิจูตทั้งหลายหนึ่งด่าบริพ่าพิจูตทั้งหลายหนึ่งยุโยงให้พิจูุแตกกันหนึ่งและในบรรดาสิกขาบททั้งหลายสิกขาบทห้ามีวิการลโภชนะสิกขาบทเป็นต้นข้อหลังห้าข้อนี่นะถามว่าก็ในเรื่องนี้พึงทํำธนตกรรมอย่างไรแก้ว่าเธออยู่ก็ดีเข้าไปก็ดีในที่ใด พึงทำการห้ามในที่นั้นด้วยคำว่าเธออย่าเข้ามาในที่นี้เพราะมีพระบาลีว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายเราอนุญาตให้ลงพันธกรรมคือห้ามเฉพาะสถานที่ที่สามเณรจะอยู่หรือจะเข้าไปดังนี้บริเวณของตนและเสนาสะนะที่ถึงตามลำดับภรษาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วด้วยสองบทนั้น เพราะฉะนั้นพิกษุไม่พึงกระทําการห้ามสังฆารามทั้งหมดและเมื่อพิกษุกระทําต้องอัมปัตทุกกฎเพราะฉะนั้นห้ามได้ในบริเวณบางที่เท่านั้นที่ของสา ม, มเณรหรือว่าเสนาสนะของสา ม, มเณรไปห้ามก็ไม่ได้แต่ว่าที่ส่วนรวมเนี่ยไม่ให้สา ม, ม, มเณรเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยพรนาะณะผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลาย ที่สูไม่พึงกระทําการห้ามสังฆารามทั้งหมดแก่สำมเนรรูปใดกระทํารูปนั้นต้องอาบัติทุกกฎและอาหารซึ่งจะกลืนกินเข้าทางช่องปากที่สูไม่พึงกระทําการห้ามเมื่อกระทําต้องอาบัติทุกกฎเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเลยว่าดูก่อนที่สุตทั้งหลายที่สูไม่พึงลงทานตกรรมคือห้ามอาหารที่จะกลืนเข้าไปทางช่องปาก รูปใดรกระทำรูปนั้นต้องอับทุกกฎทุกกฎก็กคือทำชั่วนั่นเองอัตทุกกฎนี้ก็เป็นอบับดุกที่เบาเกือบที่สุดแล้วนะเพราะว่าอาบับดุกที่หนักก็จะมีสองกองคืออบับดุกประชิกไพ่แพนจากพระพุทธศาสนาเลยแก้ไขยเยียวยาไม่ได้แล้วก็สังฆาธิเศษเป็นอับดหนักแต่ว่ายังแก้ไขยเยียวยาได้ในอาศัยสรงมาทำกรรมให้สองกองนี้เป็นอบับดุกหนักต้องมีวิธีการทําคืนตังหา ถ้าเป็นประชีกชก็เราทิพถาไปหรือว่าเป็นสามเณรถ้าเป็นสังกัดทีเศษก็ต้องไปอยู่ปริว่าถ้าปกปิดไว้หรือว่าไปออกมานัดไปทรมนัดขอมานัดออกอภิธานแก่ที่กลุ่มโงแต่ถ้าเป็นอบัติเบาทุลใจเป็นโทษอ้วนปาจิตตีก็เป็นโทษที่ยังคุณสนใจจิตเทศตกไปแล้วก็ปาสีเดชนิยะก็เป็นอบัติที่ต้องกระทําคืนทังหามีการแสดงตังหา เป็นสิ่งที่น่าะอายไม่อวนแกผู้ที่ทําผิดนี้เพราะนั้นก็ต้องแสดงคืนเป็นการกระทําคืนตั้งหากปฏิเสสัญญาแล้วก็ทุกกฎก็คือทําชั่วแล้วก็ทุพานติดก็คือกล่าวชั่วอับดับเบาก็จะมีห้าอย่างทุกดนี้เป็นอนบดับเบารองสุดท้ายทุพานติดเป็นอันบดับเบาที่สุดแล้วก็ทุกกฎก็มีกำลังมากกว่าทุพาติ เพราะฉะนั้นเมื่อพิกษุแม้กล่าวว่าวันนี้เธออย่าขบเคี้ยวอย่าฉันแม้เมื่อพิกษูเก็บบากีวรไว้ข้างในด้วยตั้งใจว่าเราจะห้ามแม้อาหารเป็นอาบัตทุกกฎทุกๆประโยคเลยถ้าไปห้ามอาหารก่สำเนีที่ทำไม่ดีแม้เขาจะทำไม่ดีมีการผิดศีลห้าข้อหลังหรือว่าประพฤติเพื่อความเสื่อมลาบเสื่อมยศเพื่ออยู่ไม่ได้ของพิจุดาบริพานหรือว่ายุโยงให้พิจูแตกกันสมควรจะ ทำธนตกรรมแต่ถ้าไปห้ามไม่ให้บริโภคอาหารไม่ให้ฉันอาหารนี้ต้องอัติทุกกฎแต่จะทำธนตกรรมแก่สามเณรผู้ว่ายยาไม่มีอาจาระจจะแสดงยาคูพัดหรือบาและกีวรกล่าวว่าครั้นเมื่อธนตกรรมมีชื่อประมาณเท่านี้อันเธอยอมรับจะได้สิ่งนี้ก็คือต้องไปขนทรายให้ได้น้อยถังถ้าขนได้แล้วถึงจะ ให้ฉันอาหารนี้นะถ้ายัางไม่ไปทำก็อย่าพึ่งฉันเลยอย่างนี้ได้แต่จะไปห้ามเลยไม่ได้จริงอยู่ธนกรรมคือการห้ามเท่านั้นที่พระผู้มีพระพาเจ้าตรัสแล้วส่วนพระธรรมสังคาหกกะเถระทั้งหลายกล่าวว่าแม้เมื่อให้ขนมาซึ่งน้ำฟืนหรือทรายเป็นต้นที่สมควรแก่ความผิดพิกตุก็สมควรทาได้เพราะเหตุ น, นั้นอันพิกตุ ก็พึงทำธันตกรรมคือการให้ขนน้ำมาเป็นต้นนั่นแลก็แลไอนพิจูพึงลงด้วยความเอ็นดูว่าเธอจักงดจักเว้นไม่พึงลงด้วยอัจฉริยสัยอันลามกซึ่งเป็นไปโดยในว่าเธอจักวอดวายจักศึกไปเสียที่ยสูคิดว่าเราจะลงธันตกรรมจึงให้สามเณร น, นอนบนหินที่ร้อนหรือให้เธอทูลแผ่นหินและอิฐเป็นต้นไว้บนศีรษะให้เธอดำน้ำ ไม่ควรย่อมไม่สมควรพระสุ eso, ไม่บอกอุปชาของสา ม, มเณรก่อนไม่พึงให้ลงธันตกรรมก็มีพระบาลีว่าดูก่อนทิสุทั้งหลายพรกสุ eso, ไม่บอกอุปชาก่อนแล้วไม่พึงกระทำธันตกรรมคือการห้ามรูปใดกระทำรูปนั้นต้องอบัตทุกกฎสา ม, มเณรก็มีอุปชาเหมือนกันเพราะนั้นก็ควรจะต้องบอกอุปชาของสา ม, มเณรก่อน สำหรับในเรื่องนี้เมื่อพิจูตกล่าวสามครั้งว่าสามเณรของท่านนี้มีความผิดเช่นนี้ท่านจงลงทธนกรรมแก่เธอดังนี้ถ้าอุปชานั้นไม่ลงทธนกรรมพิจูตจะลงสีวเองก็ควรถ้าบอกสามครั้งแล้วอุปชาไม่ลงโทษก็ควรจะลงโทษเองทำโทษทำธนกรรมแม้ถ้าอุปชาบอกไว้แต่แรกทีเดียวว่าเมื่อพวกสามเณรของข้าพเจ้ามีโทษท่านทั้งหลายนั่นแลจงลงทธนกรรม ดังนี้สมควรที่จะลงแท้จะลงธนกรรมแม้แก่สัตวิทวิหาริกและอันเตวาสตกเหมือนอย่างสามเณรก็ควรเป็นพระพิตุเนี่ยนะเป็นอันเตวาสตกของอาจารย์หรือว่าสัตวิทวิหาริกลูกศิษย์ของอุปชัยถ้าเป็นผู้ที่ดื้อด้านเป็นผู้ที่ไม่เชื่อฟังทำผิดมากมายก็ลงธนกรรมให้ไปนขนไม้ขนน้ำขนฟืนอะไรก็ได้ แต่บริษัทของผู้อื่นพิสูจไม่พึงเกลี้ยกล่อมเพื่อให้มาอุปถัมภ์ตนเธอเมื่อเกลี้ยกล่อมต้องอาบัตทุกกฎก็มีพระบาลีว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายบริษัทของผู้อื่นพิสูจไม่พึงเกลี้ยกล่อมรูปใดเกลี้ยกล่อมรูปนั้นต้องอาบัตทุกกฎอย่าไปชักชวนบริวารของพิสูจอื่นมาเป็นบริวารหรือว่ามาเป็นพวกค้องของตอนเองถ้าเกลี้ยกล่อมอย่างนี้ต้องอาบัติทุกกฎ เพราะฉะนั้นพิกจุกล่าวว่าเราจะให้บาปจะให้จีวรแก่เธอดังนี้สองเคราะห์เพื่อจะให้มาอุปถานตนจะเป็นสามเณรก็ตามอุปสัมบันิก็คือเป็นพิกจุก็าตามอันพิกจุจะยุยงรับเอาชนซึ่งเป็นบริวารของผู้อื่นโดยที่ตดแม้ของพิกจุพูดทุศีลย่อมไม่ควรไม่ต้องเอามาเป็นบริวารหรอกตัวเองก็ เราเพื่อปฏิบัติไปตามคําสอนว่าสัมมาสมัมพุทธเจ้าถ้ามีปริวารมากอาจจะทําให้ไม่น้อมไปในคำสอนมากเท่าไหร่หัวแต่มายุ่งเกี่ยวกับบริวาลทําให้คลุกคลีกันแต่สมควรที่จะกล่าวแสดงโทษว่าการที่ท่านอาศัยคนทุศีนอยู่กระทําลงไปก็คล้ายการที่ชนมาเพื่อจะอาบน้ําแต่ให้ไปทาคูดอุตส่า ล, ลงน้ํามาในพระพุทธศาสนานี้พระพศาสนานี้เหมือนกับท่าน้ําแำอุตส่า ล, ลงมาแต่ว่า ไปเอาคูดมาทาตัวเสียก็เลยไม่สะอาดสักทีหนึ่งดังนี้ถ้าเธอทราบเองจึงขออุปัชาขอนิสัยที่ตุจะให้ก็ควรอันนี้ก็เป็นเรื่องของคาถาวินิจฉัยเรื่องของการบวชในบาลีมุตตะวิเนยะวินิจฉัยสังฆะ ก, ก็จบส่วนเรื่องของนาสนะเนี่ยมีสามอย่างสามอย่างคืออะไรบ้าง ก็ได้แก่สังวาสนาสนะอย่างหนึ่งลิงคณาสนะอย่างหนึ่งแล้วก็พันตกรรมนาสนะอย่างหนึ่งพันตกรรมนาสนะก็คือกันตะกะนาสนะนั่นเองในสี่ขาบทที่สัมมเณนเป็นผู้ที่กล่าวว่าอันตรายิ่งกระทำที่พระพุทธเจ้าแสดงว่ามีโทษนั้นไม่มีโทษจริงหรอกอันเนี้ยแล้วก็ถูกติสุดทั้งหลายห้ามปรามก็ไม่เชื่อฟังก็เลย ทำธนตกรรมก็คือไม่ให้นอนร่วมกับพระภิกษุสำเนียอื่นยอมได้การนอนร่วมสามคืนแต่ใครติเตียนอย่างนี้ก็ไม่ต้องมานอนร่วมแล้วห้ามไปบริโภคร่วมอะไรต่างๆเหล่านี้สังวาสนาสะนะเป็นการให้ชิพหายด้วยการอยู่ร่วมเนี่ยสังวาสนาสะนะก็หมายถึงการยกวัดเพราะไม่เห็นอาบัตก็ได้แก่การลงอุเคปัญญยกรรมนั่นเอง การยกวัดก็หมายถึงการลงโอเคปณิยกรรมพระวิตรที่ไม่เห็นอาบัติก็ดีหรือว่าเห็นอาบัติแต่ว่าไม่แสดงคืนหรือว่าเป็นผู้ที่มีความเหตุผิดแล้วก็ไม่ยอมทําคืนเพราะฉะนั้นสามารถที่จะทํากรรมโดยการลงโอเคปณิยกรรมยกวัดอันนี้ก็เรียกว่าสังวาสนาธนะคือให้ชิพหายด้วยการไม่ให้อยู่ร่วมนั่นเองไม่ให้กินร่วมนอนร่วมทําสังกกรรมร่วมใครไปทํากรรมร่วมก็ต้องมีอาบาัติมีโทษ เป็นปฏิเตีส่วนลิงค์้านาสนะก็หมายถึงให้ลาธิคขาให้ศึกไปก็ได้แก่สำมนเณรที่ปทุตร้ายพิทุนีนะแล้วก็พิกทุนีที่กล่าวโจดพิกษุกวจตอบัตประชิกเช่นนางเมติยาพิทุนีก็ให้ลิงค์้านาสนะก็คือให้ศึกไปให้พ้นจากเพศนี้ไปอันนี้เรียกว่าลิงค์้านาสนะ ส่วนทันตกรรมนาสนะก็ได้แก่กันตะกะนาสนะนั่นเองที่กล่าวไว้แล้วทันก็นาสนะนั้นก็มีสามอย่างสังวาสนาสนะให้ชิพหายโดยการไม่ให้อยู่ร่วมลิงคนาสนะให้ชิพหายโดยการให้เสร็จไปแล้วก็ทันตกรรมนาสนะก็คือให้ชิพหายโดยการไม่ให้มานอนร่วมไม่เกี่ยวข้องด้วยห้ามเข้าในที่อยู่นาสนะสามประการทางนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ทรงธรรมทรงวินัยศึกษาไตรสิกตาน้อมนําคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติเห็นโทษของอุปาทานขันห้าแล้วก็เห็นโทษของนิวรณ์ทั้งหลายอันเป็นกิเลสรวมทั้งอุปกิเลสเหล่าอื่นน้อมไปในการที่จะอบรมเจริญกุศลกรรมน้อมไปในการที่จะเจริญไตรสิกขานีเเรรน้เพื่อที่จะกําหนดรู้ทุกเพื่อที่จะละสมุทัยเพื่อทํานิโรธให้แจ้งและอบรมเจริญอริยมรรค ให้บริบูรณ์ตั้สรูอริยสัตสี่ตามตเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปเจกพุทธเจ้แจาแล้วก็พระอริยาสาวกทั้งหลายให้ถึงความเป็นพระอริยาสาวกได้ในชาตินี้โดยทั่วกันขออนุมโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ